4. อุปนิสินนวัต์หมวดว่าด้วยผู้เข้าไปนั่งใกล้ 1-11. มาราทิสุตตะเอกาทสกะว่าด้วยพระสูตร11สูตรมีมาราสูตรเป็นต้น 1. มาราสูตรว่าด้วยมาน 194. เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระราชาผู้นั่งณที่สมควรดังนี้ว่าราชะสิ่งใดเป็นมานเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในสิ่งนั้นก็อะไรเล่าเป็นมานคือรูปเป็นมานเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในรูปนั้นวิญญาณเป็นมาน เธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในวิญญาณนั้นราธะสิ่งใดเป็นมานเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในสิ่งนั้นมาลสูตรที่หนึ่งจบสองมาลธรรมสูตรว่าด้วยธรรมของมาน 195เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีราธะสิ่งใดเป็นธรรมของมานเธอพึงละฉันทะราคะฉันทะราคะในสิ่งนั้นมาลธรรมสูตรที่สองจบ 3. อณิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยง ร้อาสราทะสิ่งใดไม่เที่ยงอันนี้จะสูตรที่สามจบสอันนี้จะธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาร้อยาสราทะสิ่งใดมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดา อันนีจะรรมสูตรที่สี่จบห้าทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ร้อเกสราธะสิ่งใดเป็นทุกข์ทุกขสูตรที่ห้าจบหก ทุกขธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีทุกข์เป็นธรรมดาร้อสิราทะสิ่งใดมีทุกข์เป็นธรรมดาทุกขธรรมสูตรที่หกจบ 7. อนัตตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นอนัตตาสองร้อย ราธะสิ่งใดเป็นอนัตตาอนัตตสูตรที่7จบ 8. อนัตรธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีอนัตตาเป็นธรรมดา2องราธะสิ่งใดมีอนัตตาเป็นธรรมดาอนัตรธรรมสูตรที่8จบ ขยะตธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาสองราธะสิ่งใดมีความสิ้นไปเป็นธรรมดาขยธรรมสูตรที่เกจบส0วยธรรมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความเสือปเปสเส่อมไปเป็นธรรมดา203ราธาทะสิ่งใดมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวิยธรมทธทมยธรมสูตรที่สิบจบสิบเอ็สมุทัยธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้น เป็นธรรมดาสองร้อยสี่ราทะสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคะาฉันทะราคะาในสิ่งนั้นสมุทัยธรรมสูตรที่สิบเอ็ดจบสิบสองนิโรธธรรมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความดับไปเป็นธรรมดาสองร้อยหเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระราธะผู้นั่งนาทีสมควรดังนี้ว่าราธะสิ่งใดมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในสิ่งนั้น ก็อะไรเล่ามีความดับไปเป็นธรรมดาคือรูปมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในรูปนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคะฉันทราคะในวิญญาณนั้นราคะ สิ่งใดมีความดับไปเป็นธรรมดาเธอพึงละฉันทะราคาฉันทราคาในสิ่งนั้นนิโรธธรรมสูตรที่สิบสองจบอุปนิสินวักที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งมาลาสูตรสองมาัธรรมสูตรสอนิจจสูตรสี่ อนิจธรรมสโตร 5. ทุกขสูตห6ทุกขธรรมสูตร 7. อนัตโสตร8อนัตรธรรมสูตร9าขยธรรมสูตร10วยธรรมสูตรอสมุทยัธรรมสูสตร 12. นิโรธธรรมสูต ร, ราธาสังยุตจก